บริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนโยนควรแกการงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วเมื่อนโน้มน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวะสานุสติญาณเธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสมชาติบ้างสี่ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10บชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง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 มาสู่บ้านของตนตามเดิมดังนี้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแหลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนโยนควรแกการงานตั้งมันไม่หวั่นไหวอย่างนี้เมื่อโน้มน้อมจิตใจเพื่อบุกเพนิวาสานุสติญาณเธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้หนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้าง ละถึงเธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนี้ข้อความที่กล่าวมานี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงภิกษุที่ปฏิบัติในทางสมาธิจนกระทั่งได้ถึงขั้นจตุทถาฌานคือฌานที่สี่ซึ่งเมื่อได้ฌานขั้นนี้จิตก็จะบริสุทธ์ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว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 ได้มาเกิดในภพนี้แม้ในภพนั้นเราก็าได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกอย่างนั้นรันจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้ตถาคตย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนี้